ตั้งใจทำให้มันดีให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกถ้าลมมันน้อยลงหรือมันเล็กลงจนกระทั่งไม่มีลมในความรู้สึกของเรานะจนกระทั่งว่าไม่มีลม กพให้มีสติโรยให้มีสติโรไม่ไม่ต้องกลับมาทำใหม่หรือว่ามาหายใจใหม่มาตั้งความเพียรใหม่อะไรงี้ไม่ใช่เมื่อมันมีเมื่อมันไม่มีลมแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปดูลมอีก ก็ให้มีสติเห็นการเข้าออกของลมอยู่เบาๆอ่อนๆหรือความไม่มีลมว่างเปล่าอยู่ก็ให้มีสติรู้อยู่ว่าตอนนี้ไม่มีลมให้คอยรู้อย่างนั้นลมไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ให้มีสติ ตักลับอยู่ที่ใจหรือ ท, ที่ที่ตรงที่เรากำหนดรูรูเอ่อรูลมนั่นแหละให้มีสติอยู่ตรงนั้นใจเราก็จะเยินลงสบายลงสงบลงเป็นหนึ่งขึ้นมาในใจยิ่ การที่จะมาทําใจให้เป็นหนึ่งหรือว่ามีอารมณ์เดียวหรืว่าเอกกับข้าตาลมให้มีอารมณ์อันเดียวก็คือลมอันเดียวก็คือลมหายใจนั่นแหละอันเดียวไม่เอาอย่างอื่นอย่างไหนมันก็ดีหมดนั่นแหละแต่ว่าเอาอันเดียวอย่างที่นี่แล้วก็ แนะนำพัฒสอนให้เข้าใจในเรื่องการกาหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเมื่อเรารู้ลมหายใจเข้าออกอยู่เรามีสติรู้อยู่ใจเราก็เป็นสมาธิไม่ได้ลองขอไม่ได้บอกโอ้ใจยังเป็นสมาธิเถิด อ, อะไรหรอกไม่ต้องขอไม่ต้องบอกปาป น, นั้นก็ได้ เพียงแต่เราทําให้มันถูกแล้วมันก็เป็นข้อมันไปเอง mm. เมื่อทําให้ถูกแล้วก็เป็นถ้าทําไม่ถูกก็สงสั ย, ยงั้นแหะนี่เป็นอะไรอันนี้เป็นโซดาไหมอันนี้เป็นชาดสีไหมอันนี้เป็นอภิน ญ, ญาหรื อ, อยังอะไรซะเราขาดแต่จะถามเพราะว่าอะไรเพราะวาความสงสัยอันนี้แหละความสงสัยนี่แหละ ทำใจของเราให้ฟุ้งซ่านไม่สงบลงได้ท้าเนื้อความลังเลสงสัยเมื่อมีความลังเลสงสัยมันก็ก้าวหน้าไปไม่ได้มันไม่ก้าวหน้าแต่ถ้าไม่ลังเลสงสัยว่านี่ผิดหรือถูกอะไรอย่างอย่าไปสงสัย ให้ทาให้มันถูกเมื่อทําถูกแล้วมันดีไปเองของมันถึงเราไม่ปรารถนาหรือขอร้องหรือว่าชวนชวนให้มันสงบก็ต่างมันสงบของมันเองขออย่างเดียวให้เราทําให้มันถูกดูแต่หลายคนเนี่ยร่างกายหน้าตาผิวพรรณกุดของเกิดจากอะไรเกิดจากความที่กิตใจของเราเป็นหนึ่ง พอกิจใจของเราเป็นหนึ่งแล้วเลือดร่มอะไรต่างๆก็เดินสะดวกดีดไปหมดมันควบคุมไปได้หมดเมื่อใจมันดีแล้วทุกอย่างก็ดีตามท่านเอามนโนบุพพังขมาธรรมามีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่มนโเมนเสถิษฐามโนมายามีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประมุขประทานใจได้รับความสงบ ก็เชื่อว่าใจนั้นได้อาหารแล้วใจได้รับความสงบแล้วเดี๋ยเราให้เราได้อาหารแล้วอาหารอะไรก็อาหารใจนั่นแหละอะไรเป็นอาหารใจเอาความสงบสมาธินั่นเองเป็นอาหารใจเมื่อจิตยังไม่สงบไม่สบายนั่น ก็ปแปล ว, ว่ากินไม่มีอาหารแต่ถ้าเราทําสมาธิอยู่ทําอะไรก็มีสติอยู่นั่นใจได้ทานอาหารแล้วถ้าใจไม่ได้ทานอาหารก็คือฟุ้งซ่านลาคาญยุ่งเยิงมีปัญหามากอันนั้นอันนี้สารพัดอย่างทําอะไรก็ไม่ดีสักอย่างอันนั้นหมายความว่า ใจของเราไม่ได้อาหารอาหารของใจคือความสงบเรายังไม่ได้ทําใจให้สงบให้ทิ้งเรื่องอื่นไปหมดเขาไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ทํางานนะให้ทิ้งความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้วุ่นวายสิ่งเหล่านี้ขัดข้องสิ่งเหล่านี้ยุ่งยากให้วางความเป็นไปเหล่านั้นเสียก็ให้รู้อยู่ ที่ลมหายใจเข้าออกปับ๊บเข้ามาเอาไปหาลมหายใจเข้าออกเลยพอไปหาลมหายใจเข้าออกปับ๊บเท่านั้นแหละจิตก็วางวับลงไปเลยเย็นสบายมีสุกมันมีอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องทำไม่ใช่ทําทำแต่ที่นี่หรือทำแต่อยู่วัดป่าเ้าให้สุก ที่ไหนที่ไหนก็ให้ทํามันจะยากอะไรล่ะกำหนดรูลมหแหะไม่ต้องไปนั่งพิธีการนัะนนี่อันนี้มันอยู่ท้องพระเราเรานั่งเป็นพิธีการนั่นนี่เราไม่ใช่ว่าได้สมาธิแล้วจะต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวเราก็ใช้สมาธิแหละมาควบคุมตัวเราหรือการทํางานทําการของเราให้มันดีขึ้นอารมณ์ของเราให้มันแจ่มใสสมาธินั่นเองทําให้อารมณ์แจ่มใส อารมณ์ไม่ขาดข้องไ ม, มอมไม่มัวเมาไม่มืดมิดอารมณ์เด็ดเดี่ยวอารมณ์ห้าวหานอารมณ์เป็นหนึ่งใช้แทนกันได้ทั้งนั้นเลยคือไม่ขี้เกียจทําการทํางานเลยไม่วุน่นวี่วุ่นวายเลยใจสงบเย็นคนอื่นจะว่ายังไงไม่สนใจพูดด้วยยุบบางคําบางคําไม่ต่อก่กอนเลยไม่เถียงไม่ว่า เราเข้าสู่ความสงบ ข, ของเราใจเราสบายบันนี้ใจเรามีสุขเ อ, อิบอิม่มอยู่ตลอดเวลาอันนั้นนะใจเราเอิบอิ่มมีสุขอยู่ตลอดเวลามันก็ถูกแล้วไปทําที่ไหนก็ทําได้บันนี้ขอให้ใจมันสงบอืจะไปปฏิบททัติที่ด้านที่ดีที่โ น, น่นถ้าสามารถทําใจให้สงบได้ก็ถูกต้องแล้วก็สงบได้มันอยากมาที่นี่นะ ร็ทำใจให้สงบให้ถูกต้องให้สบายให้เย็นให้ลึกซึ้งมันฝังลึกอยู่ในหัวใจเลยนะคอยดูลูเห็นอยู่ตลอดเวลาเลยโอ้ที่ความสงบมันเย็นปานนี้ตนนัวนี้มันทําให้ใจเราไม่วุ่นวี่วุ่นวายเลยมีปัญหาอะไรเราก็ไม่เป็นทุกข์เลยเราทําได้เราทํเาทเป็ น, นหน้าที่การงานเราก็ทําไป ใจเราก็สงบอยู่มันก็มีความสุขสนเองจะหาที่ไหนที่ทำความสุขใจให้กับตนเองท่านหละไม่ต้องไปอะไรมากหรอกไม่ต้องติดพิธีการอหว้พระเลืออะไรต่างๆนั่นก็ทำได้ไม่ห้ามแต่ถ้าเราไปทำในการปฏิบัตินี่ถ้าเราทำหลายอย่างเวลาเราก็หมดไป อ, อ มันก็หมดไปเมื่อเวลาหมดไปแล้วเราจะทำยังไงล่ะมันก็ไม่มีเวลานั่งสมาธิไม่มีเวลาทำความที่เราต้องการเราต้องการคนหัดคนให้เป็นสมาธิหัดยาาหัดโยมผู้หญิงผู้ชายพระสงฆ์สามเณรที่มาปฏิบัติด้วยนต้องการให้กิดเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็จะเห็นความสุขนะ่เห็นความสุขความสงบภายใน หั่ใจของเราเราก็ทำไปเรื่อยอันนี้เป็นสถานที่ให้ทําฝึกขัดเบื้องต้นส่วนการไปทํางานทําการอารมณ์ต่างๆกระทบกระทั่งนั่นแหละสนามใหญ่ระนันอารมณ์ที่มากระทบกระเทือนใจนั่นแหละสนามใหญ่เราสามารถทําใจสงบได้ไหมละ่ะถ้าเราสามารถทําใจให้สงบได้ไมันเป็นทุกข์ไหมวนวุ่วน ว, นวายสบายต่อเวลา เราสามารถทำได้ไหมถ้าเราทำไม่ได้ก็แสดงว่าการภาวนาของเรายังไม่ถึงที่สุดมันยังไม่ละเอียดพอยังไม่ดีพอแต่ถ้ากระทบอารมณ์น้อยใหญ่อะไรก็ตามอยู่ได้ไม่โกรธไม่เกลียดไม่โลภไม่หลงไม่อิจฉาลิสยาเลยไม่มีความทุกข์ความกังวลเลยอ่านนั่นมันเป็นของดี เราทำให้มันได้กระทบอารมณ์อะไรก็ตามเรื่องเล็กน้อยก็ตามคนเสมอกันคนใหญ่กว่าคนเล็กกว่าอะไรต่างถ้าเด็กว่าให้เราเขาเคห์วเอาเลยอย่างเงี้ยให้มเหงกไปเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าว่าคนเสมอกันก็ไม่กล้าทำอะไรคนสูงกว่าก็ไม่กล้าถ้าเราเป็นอย่างนี้ไม่ถูก ต้องมีใจเสมอแม้คนที่ด้อยกว่าแม้คนที่เท่าเทียมกันแม้คนที่เหนือกว่าเรามีใจเคารพยำเกรงนอบนอกก้อมกอทุกคนไม่ว่าเป็กหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าเด็กหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าเสมอกันให้มีใจนับถือเป็นหนึ่งตลอดเวลา ไม่ให้ใจเราฟุ้งซ่านลำคาญนั่นเราภาวนาเป็นแล้วส่วนมากผลอะไรต่างเราไม่ต้องพูดถึงหรอกถ้าทําถูกมันก็ได้หมดแหละถ้าทําถูกแล้วมันได้หมดกลับไปมันก็อยากทําอยู่เหมือนเดิมนั่นมันถูกแล้วมันได้แล้วมันถึกเป็นอย่างนั้นพอรู้วิธีแหละรู้ทางแล้ววิธีปฏิบัติยังไงไงก็ เทศให้ฟังแล้วบอกแล้วว่าทําอย่างนั้นอย่างนี้มาหลายวันแล้วก็คิดว่าเข้าใจดีสอบดูว่าผ่านไปได้ไหมก็ปรากฏว่าผ่านไปได้นะหมายว่าเราทําเป็นแล้วเราจะนั่งนานหรือไม่นานก็เเรื่องของเราเพราะเราทำป็นแล้วยืนย่นอยู่เราอาจจะกําหนดลมได้หรือว่าทําความสงบให้แกเราได้กําหนด ล ม, ออกกมลมหายใจเข้าออกนะี่ก็ไม่ใช่ว่าไปอารมณ์หายใจเข้าออกนะอันนี้วิธีการทํากิจให้สงบเฉยๆพอกิตสงบแล้วลมหายใจเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจไม่ใส่ใจกับลมหายใจเลยเอาแต่ความสงบนั้นไว้เอาแต่ผู้รู้นั้นไว้ผู้รู้ที่เรารู้ในใจเรารู้อย่างเดียวไม่คิดไม่นึกไม่รู้สึกอะไรไม่ฟุ้งซ่านราคาญในเรื่องใดๆ น, ใ น, ใ น, นะถ้าเราทําอย่างนี้ได้กใจเราก็สบาย จะมีปัญหาอะไรมากอย่างร้อยอย่างพันอย่างเราก็ไม่หวั่นไหวทํำไมไม่หวั่นไหวเพราะว่าใจเราสงบดีแล้วพอเขาทําอย่างนั้นเราก็สามารถทําใจของเราให้สงบได้มีข้อคิดมีเมตตาเกิดขึ้นมาได้โอ้สัตว์โลกนี่เป็นอย่างนี้เนาะเป็นไปตามกรรมกรรมดีก็มีกรรมชั่วก็มีอย่างเงี้ยเราก็พยายามเมื่อกระทบอารมณ์ เราหาดยุนนี้ไม่มีใครรบกวนเลยแม้กระทั่งเปิดแอร์ก็กลัวเสียงจะดังรบกวนหรือเปิดพัดลมก็กลัวจะฝุ่นฟุ้งมีแต่คอยรักษาน้ำใจทุกอย่างของผู้มาปฏิบัติไม่ให้กระทบกระเทือนเลยแม้แต่น้ อ, นอยน้ำก็ไม่ให้เข็นเองอะไรก็ไม่ให้ทำเองเลยเรามีหน้าที่รับหนา้ารับฝึกสมาธิอย่างเดียว อันนี้คืออยู่ในวนัดหรือว่าอยู่ในศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่าเราให้โสให้เราหัดให้มันชำนาญไม่ใช่ว่าออกไปแล้วไม่เอาไปใช้ไม่ไรต้องเอาไปใช้ด้วยกระทบอารมณ์อะไรก็เอาไปใช้ด้วย จิตเราจะวันไหวไหมถ้ากระทบอารมณ์อะไรก็ตามในโลกนี้จิตใจเราไม่วันไหวเลยไม่งอนแงนคอนแทนเลยยังเที่ยงมั่นอยู่ในอารมณ์กรรมาฐานหรืออยู่ในใจของเราอยู่แล้วหรืออยู่ที่ปลายจมูกหรือในจมูกของเราแล้วไม่วันไหวต่ออารมณ์ที่มากระทบกระเทือนอันนั้นเรียกว่าเขาภ า, า, าวนาเป็นแล้ว เขาปล่อยวางได้หมดแล้วจะไม่มีโกรธมีโลภมีหลงในหัวใจ น, นั่นนะไม่มีโกรธโกรธก็ไม่มีราคะก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีนั่นไม่มีทุกอย่าง เวลาออกไปสู่ภายนอกเลยเป็นไงบางนี้เวลาออกไปสู่ภายนอกโอ้โหมันไม่ใช่เหมือนไม่เหมือนสนามฝึกเลยนะนีมันเป็นที่จะเข้าไปในตะลุมบอนกันนะท่าเป็นลบกับตะลุมบอนเะนี่ยไม่ใช่ว่าต่างคนต่างยิงอยู่มันเข้าประชิด ต, ตัวกันเลยนั่นเราจะสู้เขาได้ไหมหละ่ะ กำลังที่เราฝึกหัดไปนี้มันจะสู้กับสิ่งในโลกได้ไหมล่ะถ้าสู้ได้ก็แสดงว่าดีแล้วเขาทําอะไรเราก็ไม่โกรธเขาทําอะไรก็ก็ไม่โลภเขาทําอะไรเราก็ไม่หลงไม่มีโลภมีโกรธมีหลงอยู่ในใจเลยเราจะเรียกว่าอะไรก็ได้เรียกว่าพระนิพพานก็ได้เรียกคนที่ไม่มีโลภมีโกรธมีหลง ก, ก็คือพระอรหันต์พระอรหันต์เป็นอะไรคือบรรลุผลีพานแล้วเนี่ย อย่างนี้แหละเราบรรลุพระนิพพานแล้วเราไม่มีโลกไม่มีโกรธไม่มีหลงเราถึงพระนิพพานแล้วคนที่จะถึงพระนิพพานได้เป็นคนประเภทไหนก็เป็นคนที่ไม่มีโลกโกรธหลงนั่นเองไม่มีฆาลาฆาโทสาโมหันนั่นเองไม่มีกิเลสนั่นเองรายละเอียดต่างๆที่เป็นธรรมะอัตมาก็เตรียมไว้ให้แล้ววุที่ทํา สร้างบูทสร้างอะไรก็เป็นของสำรวยให้เล่มไปคนละชุดแหละนั่นอะอ่านดูในนั้นนักบาตท่านทำไว้พุทธศาสตร์อย่าโยมจะมีความรู้ความเข้าใจในหลักคมคำสอนทางศาสนาอย่างดีเลยถ้าอ่านจบในนั้นแล้วไม่เป็นสมาธิกที่คนนั้นก็เรียกว่าห่างไกลพระนิพพานแล้วกิด เพราะนั้นจะหาธรรมะศึกษาที่ตรงๆอย่างนี้มันก็ยากแต่มันเป็นจำนวนในง่ายแต่อย่างที่เราใช้อยู่เพื่อการอบรมนี่ก็พุทธโอษฐ์พุทธวจนะ อ, นนจจอริยสัจเพระโอษฐ์เราฟังมาทุกคืนทุกคืนอันนั้นถือว่าฟังธรรมะหรือฟังคําสอนที่อุเที่ยวสอนส่วนที่ฟังอัตมาอธิบายอยู่นี่อันนี้เป็น การสอนหรือว่าพรฒำสอนหรือว่าแนะนำแล้วคอยดูแลคอยช่วยเหลือผู้ปฏิบัติให้สามารถนำธรรมะหรือความปฏิบัติที่เรากระทำเนี่ยไปใช้อยู่ในสังคมโล ก, ใ น, โลกในสังคมโลกเอาไปใช้ในสังคมโลก สังคมโลกเป็นยังไงก็คือวุ่นวี่วุ่นวายเลยเสียงรบกวนแค่นี้ไม่ไม่เป็นปัญหาแล้วแต่อยู่บ้านยุ่งกว่านั้นอีกใครมีครอบครัวแล้วย่อมรู้เองว่ามันยุ่งขนาดไหนเราจะทำสมาธิได้ไหมเมื่อมันยุ่งปานนั้นจะสามารถชำระจิตให้บริสุทธิ์ได้ไหมให้ไม่โกรธไม่โลภไม่หลงได้ไหมนั่นแหะ อันนี้มันเป็นสนามฝึกแต่นั้นเป็นของจริงที่เราต้องสู้อย่ก็บ้านกัเมือ น, นต้องสู้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าเจริญธพิคเวจาริกลางพงชนะหิตายาพงชนะสุขายาโลกานุกรรมปายะเธอจงสเสด็จไปเธอจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขเพื่ออนุเคราะห์เพื่อสงเคราะห์โลกผู้มีดวงตามีทุดีน้อยมีอยู่นะถ้าไม่ได้ฟังทรรมก็จะหมดโอกาสก็เสียโอกาสได้ฟังทรรมได้ปฏิบัติทมแล้ว เขาเหล่านั้นก็จะรู้แจ้งในอริยสัจธรรมความยิงงันรประเสริฐเสียนะเขาก็จะรู้แจ้งคนที่มีทุลีในดวงตาน้อยมีอยู่เพราะไม่ตาน้อยนะตาใหญ่แล้วนี่แหละตาล้วนี่แหละแต่ว่าทุลีมันไม่มีในดวงตามันมีน้อยๆพอเทศบอกนิดหน่อยก็เข้าใจเทศบอกนิดหน่อยก็เข้าใจ สามารถปฏิบัติได้ทําได้เหมือนพวกโยมทั้งหลายที่มาปฏิบัติอยู่นี่แต่และคนก็เข้าใจได้เองว่าเราทําได้หรือไม่ได้อัตมาก็ประกาศหามันเช้ า, ชานี่ว่าใครยังสงสัยทำทำไม่ได้มีไหมถ้าทําไม่ได้ทําให้เป็นก็ให้ออกมามาถามอัตมาได้ด้วยอัตมายินดีที่จะบอกให้จะไม่ให้มีความสงสัยกลับบ้านไปเลยให้ต้องให้เข้าใจว่านี่แหละคือวิธีปฏิบัติที่เราต้องทําเพื่อให้จิตของเราสงบ เป็นหนึ่งหรือมอีความสบายใจอย่างเต็มที่ในหัวใจของเราทีนี้เราก็นำธรรมะอนั้นแหละที่ครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเอาไปใช้ในประโยชน์เออเอาไปใช้ทำประโยชน์ในบ้านเราไม่ใช่เอาไปแทนฟืนแทน เ, เตานะหนังสือธรรมะรำมโมน เอาไปอ่านเอาไปศึกษาเอาไปต่อสู้กับสังคมเราอยู่ในสังคมโลกต้องการขลังใจมากต้องการสมาธิมากต้องการผู้ที่มีธรรมะในใจมากแต่ว่ามันไม่มีปัญหายากทํำไมปัญหายากเพราะว่าไม่มีผู้ปฏิบัติไม่มีผู้แนะนำพัฒนสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ยังมีอยู่เต็มตู้เหมือนเดิม แต่ทำไมคนถึงไม่แตกฉานในธรรมะล้ก็เพราะว่าไม่มีครูบาอาจารย์แนะนำพระนสอนถ้าแนะนาพระนสอนว่าเราดูเข้าไปในใจของเราใจของเรานี้ทราบซึ่งมีศรัทธาในพระรัตนตมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามีศรัทธาในพระธรรมมีศรัทธาในพระสงฆ์เป็นผู้ที่วางความ หลงต่างๆความไม่เข้าใจต่างๆให้มาเข้าใจตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนเช่นอริยสัจสีอย่างเงี้ยก็ให้เราเข้าใจให้เราปฏิบัติได้เข้าใจยังไงอะสามมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นทุกข์เห็นอะไรเห็นอะไรเห็นทุกข์เห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเป็นทุกข์เห็นโคมโศกเศร้าเสียใจพิไรลำพันธ์เนี่ยเป็นทุกข์ เรามาเห็นความจริงอันนี้ก็คือเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าปาะคนทุกคนเกิดมาแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาจากหนุ่มจนแก่จนเท่าจนหลังค่อมหลังง่อมมาวัดไม่ได้นั่งไม่ได้ลำบากอายุเก้าสิบปีร้อยปีนี่มีอยู่ตามมานอกแต่ว่าโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมมันไม่มีมันทำไมไม่มีไม่มีผูส้สอน อย่างนึง่งไม่มีศรัทธาอย่างหนึง่งอผู้สอนมีอยู่แต่ไม่ไ ม, ไ, มไม่ทำตามแล้วก็ไม่มีศรัทธาเมื่อไม่มีศรัทธามันก็ไปไม่ได้แล้วจะไปหาเที่ยวตามสอนตามบ้านตามเดินคนอื่นขึ้นบ้านนั้นลงบ้านนี้ได้ไงไม่ใช่ขอข้าวไม่ใช่ขอข้าวกินเหมือนพวกพูราเนที่มาขายผ้าไหมผ้าอะไร ตอนนั้นคือเเข้าไปทุ่มหนึ่งสองทุ่มทุ่มหนึ่งสบดในกาเข้าไปหาขอเข้าสุกข้าสาข้าสุกนั่นแหละเพราะอะไรมันถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่รู้จุดเอาเขาให้ทำก็ทำไปพอได้อยู่ได้กินไปพอได้ฟังรู้เรื่อง น, นิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเราตั้งใจเด็ดเดี่ยวว่าชาตินี้เราต้องเอาให้ถึงพระอรหันต์แน่นอนนี่ก็ต้องใจตั้งใจฝึกหัเต็มที่ฝึกหัดให้เต็มที่ฝึกหัดให้เต็มขนาดคอยมีสติอยู่ตลอดมีสติอยู่กับลมตลอดลมหายใจเข้าออเห็นลมหายใจออกเห็น ใจสบายอยู่ตลอดอย่างนี้เราจะหาที่ไหนครูบาอาจารย์จะมาทรมาสอนมาเทศมาแสดงท่านก็แสดงอยู่แต่ให้มารวมพนอย่างนี้มันก็มีน้อยรวมพนมากอยู่แต่ว่าจะสอนธรรมะยังไงอ่ะอันนี้ถ้าก็ทำจนถึงความสามารถของแต่ละท่าน วันที่วัด น, นี้กัมันกันมีส่วนปฏิบัติธรรมมีสํานักปฏิบัติธรรมได้รับเราทํามาก่อนแล้วต่อมาทางคณะสงฆ์จึงให้มีสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอย่างวัดเราก็ได้สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแห่งที่ห้าของจังหวัด อย่างที่อุดอนอรนี่เขาก็เรียนภูสมาธิตามแบบของหลวงพอ่อวิริยังที่ท่านนิพนหนังสือไว้สอนตามแบบนั้นอยู่ในเมืองก็มีสองแห่ง แ, แต่ว่าของเรานี่สอนอนาปานสติ มาตั้งแต่ปีเท่าไหร่ล่ะปีห้าหนึ่งปีห้าหนึ่งั่นห้สองห้าสาหีเนี่ยอีกไม่นานก็ห้าห้าเนี่ยหห้าไม่ใช่หัวรอ55้าห้านะห้าปี เออห้าปีเนี่ยบางคนคิดจะไปสเสียงโชคดิห้าสีหรือห้าห้ากันนี่เหรเยาตัวไหนเอ อ, เ อ, อ, เ อ, อตั้งใจ ทางแก่ปฏิบัติไปเราเกิมาก่อนจะมาพบครูบาอาจารย์ของเจ้าของเนี่ยมันใช้เวลานานนะกว่าเราจะได้มาปฏิบัติร่วมกันอย่างนี้คิดว่าไม่หยุดนะถ้าอาจารย์ไทรบูลไม่ไม่ตายก่อนก็อยู่ไปถ้าหลวงพ่อตายก่อนอาจารย์ไทรบูลก็ทําต่อไปอ่าหาคนอื่นช่วยอ่ อย่างนั้นเขาจะเอาเต็มที่เหมือนกันเพราะเราว่าจะเปิดมหาวิทยาลัยมันมหาวิทยาลัยของเราเละนี่มหาวิทยาลัยแบบพระป่าไม่ใช่มหาวิทยาลัยแบบบ้านเดือนหนึ่งอบรมครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งสอนครั้งหนึ่ง응เลือกได้เลยเลือกมาปฏิบัติได้เลยถ้าสามีอนุญาตแล้วมาเลยอย่าไม่ต้องรีรอหรอก แต่ถ้าสามีแม่รุญาตอย่ามานะอย่ามาเดี๋ยวมาเ อ, าอะไวยายที่นี่ไม่ได้ยางงั้นนะก่อนที่จะให้เขาเอานุญาตมันต้องคอยพูดคอยจ้าฉันจะไปปฏิบัตินะขอให้ไปด้วยถ้าไปได้วยกันสองคนหลวงพ่อบาศจะได้ธรรมะนะก็บอกเขางั้นเขาก็จะมาได้บางที่เขาหาเวลาบ้าง ดีไม่ดีเขาจัดล็อกจัดคิวให้เราอย่างดีเลยนั่นแหละเนะพราะอะไรเพราะว่าเราแต่ก่อนเนี่ยเราบน่นยั่วจี้จุกจิกอันนั้นนันนี้พอปฏิบัติทําแล้วใจมันสงบบ่านนี่ใจมันไปสวรรค์ น, นิพพานแล้วใจมันสงบแหละพอไปถึงบ้า น, ไ ม, น, ไ, มนไม่ค่อยบ่นไม่ค่อยว่าไม่ค่อยยั่วจี้จุกจิกเอ๊ะเมียเราทำไมดีแท้นยเออทําไมไม่ยั่จี้จุกจิกไม่อะไรไม่ ที่หลังว่าจะไปปฏิบัติธรรมนี่จัดการให้เลยจะเอาอะไรบ้างเลยเออเตรียมให้พร้อมเลยนั่นพราะอะไรเพราะเรารู้วิธี อ, อ่ถ้าไม่รู้วิธีนี่ก็โยจะมาเขาก็ไม่อยากให้มาไม่รู้ว่าจะไปยังไงปา่าวัดป่าวัดป่ามันคงเป็นโดงเป็นรอนเออมีงูไหมมีจิ้งจกทุกแกมีอะไรไหมมีหนูไหมมีนั่นนี่ ยกยัวจะเป็นอันตรายไม่ให้ไปหรอกจะไปอยู่ยังไงแต่พอมาอยู่แล้วโอ้โหกุฏิอย่างดีเลยเนี่ยดาวเทียมก็ยังมีกุฏิดาวเทียมเลยก็ยังมีไม่ใช่ธรรมดาธรรมดานี่กุฏิไม้กุฏิปูนแต่แถมยังมีกุฏิดาวเทียมอีกด้วยเห็นไหมกุฏิดาวเทียมนั่นละ่ะ บางคนก็ไม่ชอบกุฏิไม้กุฏิปูนก็ชอบกุฏิอะไรล่ะกุฏิอะไรลกุฏิดาวเทียมขึ้นไปแล้วนอนอยู่คนเดียวโอยกุฏิดาวเทียมนี่เป็นอย่างนี้เองอถ้าอยากอยู่กุฏิดาวเทียมก็ให้มาบ่อยๆฮ อ, อ่ ะ, อ ะ, ะขอให้ตั้งใจปฏิบัติเราได้อยู่แล้ว เรากลับไปเราก็ทำให้อย่างให้ดีอย่างที่หลวงพ่อว่านี่อันไหนมันไม่ถูกไม่ควรเราก็แก้ไขเอาเองหรือช่วยหาคนช่วยมาช่วยแก้ไขเรื่องนี้ ห, หน่อยๆเรื่องนั้นให้หน่อยเราก็างี้เราจะไปด่าพอขึ้นบ้านแล้วเอนั่นหนีโอ้ยไม่ได้แล้วถ้าไปว่ามากๆอะ่ะทีหลังเขาไม่ให้มาเลยช่วดโอกาสไปได้เล ย, เยนั่นเป็นนั่น เอาไม่ให้มาแล้วเพราะพอมาแล้วอารมณ์ยิ่งเสียมากกว่าเก่าอ่เหมือนเอาเสือมาขังไว้เนี่ยพาอปล่อยออกจะกินคนเลยวานนี้ไปถึงบ้านโอยเออเอาเอาไปถึงบ้านแล้วจะกินลูกกินผัวล้วบานนี่ยเออโอ้ยทีหลังเขาไม่ให้มามาปฏิบัติธรรมแบบเสือปล่อยปล่อยเสื อ, อ, อจากกรงออ กัดหัวตายเลย่เงี้ยนะออก็ไม่ให้มาเขาไม่ให้มาแบบนั้นแต่ถ้ากลับไปแล้วเป็นคนดีเป็นคนสงบมากเป็นคนค่อยพูดค่อยจาเป็นคนมีใจเมตตากรุณานะต่อลูกต่อผัวต่อบริษัทบริวารโหที่หลังไม่ต้องขออนุญาตก็ได้โทร บ, บอกอย่างเดียวก็พอมาได้เลย น, นั่นนี่แหละ อันนี้บางทีก็จะมาทีก็แอบแอบส้นส้ อ, อ, อ, อ, อจะพูดอะไรก็กลัวเขาไม่ให้มาเนี้ยมีนะไม่ใช่ไม่มีบางคนเตรียมจะให้มาแล้วยังเปลี่ยนคำพูดก็มีนะออไปสักคุณฉันไม่ไปด้วยหรอกเนี่ถ้ามาทั้งคู่ก็เรียกว่าได้พบกันทุกชาติเนี่ยมีศรัทธาเสมอกัน มีศีนเสมอกันมีบริจาคเสมอกันรมีปัญญาเสมอการอยากพบกันทุกชาติชาติไหนทุกชาติเลยได้พบหมดอืถ้าเราทำอย่างนั้นได้พบหมดแต่ถ้าผัวขี้เหล้าไม่ต้องนะไม่ต้องถ้าผัวขี้เหล้าไม่พบกันชาติหน้าไม่ขอพบด้วยหล่ะอย่าไปขอพบอันนั้นเพราะเพราะเป็นคนขี้เมา 3ทุ่มสีทุ่มก็ไม่กลับพึ้งบ้านอันนั้นอย่าไปอธิษฐานไปกับเขาอันนี้ถ้าถ้าขี้เมานะถ้าไม่เมาก็ไม่เป็นไรนะพอเป็นคนดีเป็นคนดีเป็นบัณฑิตมันเป็นอย่างนั้นให้ตั้งใจคอยฝึกหัดตัวเอง อยู่เรื่อยๆคอยกำหนดลมอยู่เรื่อยๆเวลากำหนดลมจิตมันวางลงไปหเหลือแต่รูอย่างเดียวก็ตั้งสติรูอยู่เท่านั้นแหละตั้งสติรูอยู่คอยเฝ้าดูอยู่คอยสังเกตอยู่เรื่อยๆอันนั้นเรียกว่าภาวนาเป็นแล้วส่วนมรรคผลนั่นไม่ยากมันไปข้ามันเอง เหมือนเราผูกมะม่วงเนี่ยเราต้นมันลงไปในดินเราก็คอยลดน้ำพวนดินใส่ปุย๋ยไม่นานไม่เกินสี่ห้าปีก็ออกดอกออกผลให้เรารับประทานได้อย่างสบายเลยอย่างนั้นให้คิดอังงนั้นการที่มากําหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยคอยกาหนดไปใจเราสงบเย็นใจเราสบายใจเรามีสุข มันร้อนก็มีหนาวให้ถ้าหนาวมากๆก็เสียงไอเต็มไปเลยอันนั้นก็ปิดปิดใหออ้ให้อุ่นขึ้นจะเอาขนาดไหนออสถานที่ปฏิบัติเนี่ยถ้ า, ถาขนาดนี้ยังไม่เอาอยู่แล้วไม่ยากไม่ยากอัตมาจะบอกจายมพระบาหลหรอก ว่าจะทำยังไงเออเอาละเนาะเถิดมานานแล้วจบพอดีอีวังก็มีโดยพระกาศแล้วจนี